วิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุขวินาสายะปังกฤษตังพูธรมังคลังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะยวินาสายะปังกฤษตังพรูธรมังคลัง วิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพภโรควินาสายะปังริตังรูธมังคลัง